คนเดียวที่มันแสดงออกมาตามการเวลาในชีวิตจิตใจของเรานี่นันไม่เหมือนเก่าถ้าเหมือนเก่าก็ถือว่ามีธรรมะถ้าไม่เหมือนเก่าก็ปฏิบัติธรรมจากไม่มีธรรมะเช่นจิตใจเนี่ยมันเหมือนกับลิงอยู่นิ่งไม่เป็นถ้าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบความ ตัวนิ่งไม่เป็นเน่ยเป็นสังขารสังขารเรียบเหมือนไายช่างปั้นหม้อเป็นอาชีพหม้อลูกใดที่นายช่างปั้นขึ้นลูกเล็กลูกโตลูกสวยลูกไม่สวยแตกเท่านั้นถ้มีหม้อลูกใดที่ไม่แตกปิดผลของสังขารการปรุงปุงแต่งแตง่มีแต่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน แต่คนเราไม่ศึกษาก็ เ, าเป็นไปตามสังขารผงแต่งจิตตสังขารผูผูแพบแพรปรุงให้ลักปรุงให้ชังปรุงให้พอใจไม่พอใจนั่นเรียกว่าเจ้าสังขารไม่ใช่เราก็าเราไม่รู้ก็วิ่งไปตามเขาตามเจ้าสังขาร บ, บังคับกับไสเราไปแล้ ว, ว่ามีญาณไม่มีปัญญาไม่มีความรู้สึกตัวก็ตกผลทาสรับใช้ตัวสังขารเมื่อมาปฏิบัติธรรมไปเห็นชัดเจนแล้วกำลังนั่งยกมือสร้างจังหวะให้มีความรู้สึกตัวเราสังขารนี่มันก็อยู่นิ่งไม่ได้หาเรื่องที่จ ะ, จะแสดงออก เหมือนกับรบกวนหรือเหมือนกับเรียงเรียงมันอยู่นิ่งเป็นๆอะไรเพราะจิตใจถ้าไม่ปลุกหมันถ้าปลกหัดมันก็นิ่งขวัวสิ่งใดทั้งหมดไม่มีการเกิดเจ็บเจ็บตายถ้าไม่ปลุกก็ตายเกิดดับเกิดดับเมื่อเรามศึกษามีสติแล้วเห็นแต่นอา ก, ก็เห็นลายเคลื่อนไหวมีสติ เห็นใจมันหลงคิดไปก็มีสติหลงทางจิตหรือว่าจิตแต่สังขารหลงทางกายหรือว่ากายแสังขารเมื่อหลงแล้วเป็นสังขารตรงที่สามต่อไปอุปถินนก ะ, ะสังขารยึดว่าตัวว่าตนแทนที่เขาเป็นเรื่องของเขาเราไม่รู้สัมคัญมั่นหมายว่าตัวเราเราลักเราพอใจไม่พอใจ ไปถูกออกถูกสงขารหลกเป็นกปยต่างๆเป็นภพเป็นชาติไปตามสังขารเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วมันเห็นแจ้งทันถห็นแจ้งสิเรานี้ด้วยวิปัสนาวิปัสนาคือไม่เห็นแจ้งเห็นแจ้งในกายในใจแต่ยังเห็นเป็นกายเป็นใจนี่ยังไม่แจ้งเท่าไหร่เหมือนกับเสียงเงินเสียงทอง พอมองเห็นที่เห็นทางเห็นแจ้งจะเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมแล้วก็แสงอาทิตย์ขึ้นสองโลกอะไรเป็นยังไงเห็นแจ้งเป็นต้นไม้เห็นใบไม้เห็นอะไรต่างๆที่เป็นวัตถุสิ่งของอะไรก็เป็นวัตถุอนั่งที่เป็นรูปประธรรม โลกก็าทาตัวนี้จิบหายเพราะร้อนเพราะหนาวเพราะการเวลาอันเตของมันตารับชาติตัวนา ม, มาทำนั่นจิบหายเพราะเจ้าสังขารสังขาลาปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งสังขารเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นวิสังขารคือดับวิสังขารคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นกระแส ของมรรคผลนิพพานสังขารเป็นทุกข์ไม่สังขารไม่เป็นทุกข์ตอบทุกข์ตัวรู้จักตัวเป็นสิงคู่กุนน้มเลิศของสังขารเราไม่ต้องไปห้ามมันไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเหมือนกับแสงสว่างมีอยู่ในความมืดความมืดมีอยู่ในแสงสว่างไม่ได้แต่แสงสว่างนี่มีอยู่ในความมืดได้ แันใดก็ดีความรู้สึกตัวเหมือนแสงสว่างความหลงตัวมันกับความมืดที่กลายเป็นสังขารมันอยู่ไม่ได้ต้องไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาเพียงแ่เรามีสติเรื่อยไปวิธีปฏิบัติเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นรูปเห็นนามแล้วไม่พอมันต่อไปเหมือนเราไปเก็บเห็ด ถ้าเห็นเห็ดบางประเภทมันอยู่เป็นหมู่เห็ดลหลงูกเห็ดปวกเห็ดพะมันอยู่เป็นหมู่้าเห็นดอกหนึ่งแล้วก็มีดอกที่สองที่สามไปเห็นรูปมันก็เห็นนามนั้นตร ง, งัานข้ามเป็นรูปทำเห็นนามทำรูปมันทำดีรูปมันทำชั่วนามมันทำดีนามมันทำชั่ว ขอจะแสดงให้เห็นตามอาการของเขารูปทุกน้มทุกรูปนี่มเป็นทุกเป็นเป็นก้อนทุกอ่นหนึ่งร้อนก็เป็นทุก์หนาวก็เป็นทุกเหงืวก็เป็นทุกนอกเป่าก็เป็นทุกนอนมากก็เป็นทุกเดินมากก็เป็นทุก์ยืนมากก็เป็นทุกนั่งมากก็เป็นทุก ต้องมีอริบทเข้าไปช่วยเหลือในรูปต้องกินต้องถ่ายต้องหายใจหายใจเข้าหายใจออกมันอยู่นิ่งไม่ได้ก็เรียกว่าอานิจจงมันอยู่นิ่งไม่เป็นไม่เป็นตัวของตัวอันนี้เขินเป็นรูปทุกนอกจากทุกสภาวะทุกตามธรรมชาติของรูปแล้วยังมีอาการทุกข์ทุกข์เกิมา ยังมีนิดเสือทุกทุกมางนิดยังมีทุกอร่อยร้อยแปดทุกปุระธานชั้นที่สองทุกสมุทัยนิโรธมากส่วนสภาวะทุกเป็นทุกธรรมดาแยกไม่ได้นีแต่กาหนดรู้ด้วยการรู้ขึ้นก็ไม่เที่ยงกาหนดรู้ผันหายเจเข้าหายใจออกเป็นการกาหนดรู้ เไม่ได้ตัวการหิวร้อหนาวเป็นทุกข์ที่บันเทาไม่ใช่ถึงใจแต่คนลมไปรู้อะไรก็มาถึงใจหมดใจรองรับทุกอย่างใจนี้ก็ไม่รู้อะไรสุข ก, ก็เอาทุกข์ก็เอาแล้วก็เชังก็เอาแค่ว่นาน้ำถ้าเป็นใจเฉยๆเป็นใจเฉยๆง่ายที่จะเป็นอะไรง่าย ถ้าเห็นเป็นนามทํามันมีทางเหมือนมีอันเปิดอันปิดเหมือนกับประตูประตูเมื่อเปิดได้ก็ปิดได้หน้าต่างเปิดได้ก็ปิดได้ถ้าอันใดเปิดไปได้ปิดไปได้แม้ต้องเรียกว่าประตูหน้าต่างในนามก็เหมือนกันมันเป็นของที่ไม่จนถ้าเห็นเป็นนามแล้ว ถ้เห็นเป็นใจเนี่ยจนง่ายเป็นตัวเป็นตนได้ง่ายถ้าเห็นเป็นนามเนี่เหมันก็มีมีที่เจะมีเงื่อนไขแล้วก็ช่วยเราภาวาที่เห็นรูปเห็นนามมันเป็นเครื่องทุนแรงแต่เป็นการศึกษาก็ก็ได้มีเครื่องมือมาช่วยมีหลักสูตรมาช่วย เหมือนของหนักมีเครื่องต้นแรงช่วยการชี้เลขมีเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยหยิบข้อมูลช่วยไม่ต้องไปจําในรูปในนามก็เหมือนกันนามมันบอกอันนี้เป็นรูปรูปมันบอกอันนี้เป็นนามมันบอกรูปทุกมันบอกเขาเป็นเรื่องของเขาเราก็เห็นเราทุกขั้อย่างกําหนดรู้ทุกวันอย่างบรรเทาเกินนั้นไม่ได้ไม่ต้องมาถึงใจ่ กระแค่หิวข้าวต้องกินข้าวร้อนก็ต้องอาบน้ําถ้าหนาวห่มผ้าทํางานเหนื่อยก็พักแต่ใช่อะไรเกินไปไม่ได้มีขอบเขตมีเวลาบางทีรูปน้ํามันสอนเราธรรมาชาติมันสอนเราเราฉลาดเพ ร, รูปเพนาะนาที่มันบอกเราถ้าเราไม่เห็นมันก็โง่ โอ้เพราะรูปนามมันแสดงไม่ได้ประโยชน์จากรูปจากนามเราก็บอกอยู่ว่านี่คือทุกข์อย่าไปยุ่งกับเรานี่คือความไม่เที่ยงนี่คือความไม่ใช่ตัวตนถ้าไปยืดเพื่ออะไรก็มีปัญหาก็ไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ก็มีปัญหาแล้วก็เป็นอย่างนั้นรูปทํานามทํามันทําดีมันทําชั่ว โรคนามโลกมาเกิดโรคได้โลกของลูกธรรมดาคือร้อนหนาวหิวเก็บใข้ได้ป่วยการร้อนหนาวหิวอะไรต่างๆเป็นโรกโรคของลูกธรรมดาการโรคกันหนังที่เกิดขึ้นเรียกว่าโรคเชื่อโรคไม่ใช่โรคต่อเรือคอควาย อันโรคที่เกิดขึ้นที่เป็นรอเลือคอควยเป็นโรคทําให้ลกูกนี่เจบหายวายโอดกาต้องเยี่ยวยารักษาใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้แต่คนไม่รู้เป็นสุขเปนทุกข์เพราะเรื่องโรคก็เปรียยเพรื่อปวดก็เป็นทุกข์ปวดก็เป็นทุกข์มันไม่ใช่ถ้าเราผู้ขัดเรามันจะเป็นอันเดียวคิดใจอ่า ป่ยก็ใจดวงเดียวหายป่วยก็ใจอันเดียวหิวก็อันเดียวอิ่มก็อันเดียวแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดมันเป็นหลายอย่าเป็นหลายดวงเหมือนพระอาทิตย์สองเงาอาทิตย์ในน้ำแต่น้ามีคลื่นถ้ามองเงาอาทิตย์เป็นหลายดวงหรือดวงจันงองเป็นเงาในาน้ำแต่หน้ํามีคลื่นก็มีหลายดวงคลื่นไม่ใช่น้าํา นามธรรมนี่ยถ้าเป็นนามธรรมรุ่ล้ว น, วนบริสุทธิ์สิ่งที่ทําให้เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นรูปโลกนามโลกเกิดขึ้นบ่า ม, มีเหตุปัจจยัย mm hmm. เช่นความดีใจเฉยใจอันนั้นมันไปทางอื่นไม่ใช่เป็นธรรมดาแล้วก็ไปนึกว่าฉิ่งนั้นเป็นตัวเราหรือว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา แล้วก็หลงตนนั้นเสียวเวลาบานทีก็ควมกวดก็เป็นเราคามทุกข์ก็เป็นเราอะไรมาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนอยู่กับนามรูปนามรูปมันเกิดดับเกิดดับทีถ้าเราไม่รูปมันก็เกิดทีนามรูปเนี่ยเกิดหลายภพหลายภูมิส่วนรูปนามเกิดทีเดียวจากน้องตาเกิดทีเดียวเกิดมาได้เจสิบกว่าปี กอดหน้ามาลูบเนี่เกิดบ่อยถ้าเราไม่มีสติอ่ะเพราะมันเป็นผู้เป็นชาตินะขยันมันก็สังขาร ข, าขายัดขยันปรุงวิญญาณก็ขยันติดเอาสัญญาก็เจ็บเอาเรียว่าขันหน้าเป็นเป็นปีเป็นขุยสังขารปุงแต่งขึ้นวิญญาณก็เจ็บเอา แต่บงเรื่องได้ก็เจ็บเรื่องนั้นเปิดโกรธก็เจ็บเอาความโกรธเปิดทุกข์ก็เจ็บเอาความทุกข์พอใจไม่พอใจจิตเจ็บเอาความพอใจไม่พอใจคือว่ามันติดตัววิญญาณวิญญาณไปทางไหนบางทีเราไปถามคนว่าตายแล้ววิญญาณไปไหนอันนี้มีพระมารุงกัจจบุตรไปถามพระพุทธเจ้า วัวมาศึกษาธรรมะเพื่อถามคำามนี้ให้พู้เจ้าเฉลยถ้าพู้เจ้ามาเฉลยมาลงใจบทก็จะสึกต่อตั้งใจไปถามผู้ที่เจ้าก็มาได้บอกว่าวิญญาณ น, นี่คือร่องรอยคือคนเราเป็นเป็นปนี่ไม่มีวิญญาอ่านชิดเลยได้มันโกรธเป็นมั น, นสุขเป็นทุกข์เป็นไค้วิญญาณวิญญาณทางนามารูป ตามันมองอาเห็นได้รือว่าตามีวิญญาณหูมันได้ยินอะไรเดี๋ยวหูมีวิญญาณตายสัมผัสร้อนหนาวมันมีวิญญาณวิญญาณไม่ใช่ล่องรอยไปมันต้องมีเหตุปัจจัยจากเราเน่วิญญาณไปอยู่ที่ไหนต้องเที่ยวไปไหนเดี๋ยวนอนมันไหลไปไหนยังไม่ตายก็ไหลไปแล้วจนเกิดฝันในพบปุ่มต่างๆ ไม่นอนไม่หลับก็ฝันไปน้ำพู้ปุ่มต่างๆไม่ฝันถือกลางคืนว่าฝันกลางวันก็คิดตัวคิดเป็นตัวสมุทยัยเป็นตัวสังขารตัวเจ้าจึงเห็นเห็นเนี่ยเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์ที่มันเกิดจากรูปนามมาจากนามมารูปเนี่ยอันทุกข์ที่เกิดจากนามมารูปเนี่ยดับได้อันทุกข์ตามธรรมชาไม่ดับก็มีอย่างขรมขเที่ยงดับไม่ได้มีแต่ แย่งทุกข์ความหิวความโอนเนี่ยไม่ใช่ดับบรรเทาเอามันเป็นเรียบของเขาใจไปต้องทุกข์ตายแล้ววิญญาณไปไหนไม่ต้องไปถามใครเราก็รู้เราอยู่ตรงไหนวันเดือนปีก็เป็นของเก่าวันเดียวคืออันเก่าโลกมันหมูนแต่เราไปสมมติวัญญาตถ้าเป็นปีใหม่ ไม่ใช่อะไรที่มันใหม่มันก็วันเดือนปีธรรมดาสมมติโล่นเพราะนอกจากรูปทมนามธรรมรูปโลกนามโลกรูปทุกนามทุกรูปสมมุตินามสมมุติสมมตนินี่ปิดบังศัจธรรมคนที่ไม่ลู้ก็หลงในสมมติสมมติเกิดขึ้นเป็น รูปวัตถ์ทำก็มีเป็นนามธรรมก็มีสมมติเกิดจากการสัมผัสก็มีตาเห็นรูปถ้ามันมีสติเกิดสมมติขึ้นมาว่าชอบว่าไม่ชอบหูดินเสียงเกิดสมมติขึ้นมาว่าชอบไม่ชอบตาเห็นอะไรก็เอาสมมติปัญญาติไปกำหนดไม่เห็นตามความเป็นจริง ว่าอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีที่เปวัตถุเอามาผสมมุตล้วก็หลงในความดีในความไม่ดีทั้งที่สิ่งของวัตถุเป็นอันเดียวอยู่ตรงนั้นก็เหมือนเก่ามันไม่ได้ดีมันไม่ได้ไม่ดีสมมติบัญญตัติไม่ใช่ปรมาติตเจจาแตงความโกรธที่เป็นสมมติบัญญัติ ความทุกข์ก็เป็นสมมติบัญญัติบางอย่างมันต่างกันบางอย่างความทุกข์ของคนหนึ่งเป็นความสุขของคนหนึ่งความสุขของคนหนึ่งที่เขาบัญญัติเป็นความทุกข์ของคนหนึ่งเนี่ยจะจะบัญญัติต่างกันแล้วเมื่อมีสมตมตาิมากบัญญัติเป็นเจตัวมากขึ้นก็เกิดการทะเลวาดกันเห็นค่ากันได้เพราะสมมุติบัญญัติ ไม่ช่ปรมาจารย์วโกรธเป็นธุ ม, มุบัญญตัติควมไม่โกรธเป็นปรมาจาสัจจะนั้นอยู่ด้วยกันหมมเห็นสุมุสเห็นบัญญัติเป็นปรมาจารยของจริงมันบอกความไม่จริงมันก็บอกว่ามันแตกฉานในธรรมแล้วแจกฉันในรูปในนามแล้วไม่ต้องไปขบคิดใช้สมองเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติแต่คนโบมกล้วย กับโราณบ่มกล้วยไม่มีเช็ดเหมือนทุกวันนี้ปิดกล้วยมาก็าใส่หม้อแล้วก็หม้อก็เบื้องใส่แกรบตั้งปากหม้อเอากล้วยใส่ในหม้อเอารินผสมแกรบปั้นยาปากหม้อให้มันปิดดีๆแล้วจุดแกรบไฟจุดแกรบ เป็นกรรมเป็นการกระทำแล้วการที่จะให้กล้วยมันสุกไม่ต้องไปคิดจะทำอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วกล้วยมันสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองได้กล้วยลดผาดกลายเป็นลดหวานได้ถ้าทาถูกชีวิตของเราก็เหมือนกันจากความหลงกลายเป็นความไม่หลงได้จากความทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์ได้ จากควาโกรธกาย็ควมไม่โกรธได้ไม่ใช่ไปห้ามโกรธไม่ใช่ไปห้ามทุกข์ไม่ใช่ไปห้ามหลงเรามีกรรมฐานเจะทําทสิ่งนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้มันก็มีเราสร้างสติไม่ต้องไปคิดเมื่อใดมันจะหลงเมื่อใดมันจะรู้เมื่อไรมันจะเป็นยังไงไมาต้องถาม เมื่อเรามีสติมันก็ไม่มีความหลงไปในตัวเมื่อเรามีความหลงมีสติความหลงก็หมดไปเมื่อไปความหลงความทุกข์ก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีอันดาความโกรธความทุกข์มันเกิดจากความหลงเราจึงจบตัวนี้เข้าไปนี่สติ หากเกความมืดเราจะไปไะไรจับความมืดไปได้เราต้องสร้างจุดแสงสว่างขึ้นนี่คือกรรามาฐานง่ายๆไม่ยากเป็นสิ่งที่ทําได้บางทีเราขอเ ง, งินง่ายทําให้มันยากก็มีของินเบาทําให้มันหนักก็มีเมื่อเรา ม, ามีการกระทำํำเรามันเป็นไปเองเหมือ น, นขุขนไขกุญแจถูกดอก ใสก้เจลดอกก้นเจลใส่อาจจะไม่ต้องดึงมันหลุดออกเองฉะนั้นปีงกัดเราเมื่อเปีงกัดเราไม่ต้องไปดึงปีงอกอกพอยาฉูนผสมน้ำบีบน้ำยาใส่ปากมันมันก็หลุดออกไม่ต้องไปดึงแับอย่างนี้อย่างนี้มีอย่างนี้ก็มีถ้าอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มี คือธรรมชาติกฎธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติเมื่อมีธรรมชาติก็มีกฎธรรมชาติเหมือนมีไปที่ใดว่ามีลมที่นั่นทําไมไม่มีลมเพราะธรรมชาติไวน์มันลุกขึ้นมาก็มันก็ขับไล่ อ, อากาศเต็นคาร์อนบางคับออกซิเจนนี้บางคับอากาศนี้ เมื่ออากาศนี้มันก็เป็นหลุมเม่อมเป็นหลุมอากาศดื่นก็ถมลงไปถ้าเกิดเป็นลมที่แท้มันเป็นหลุมเป็นคลื่นเหมือนเราน้ํานิ่งอยู่ดีๆอยู่ในหมอ้อในโอง่งเราก็บ้วยโอขันเอาเจ้วไปตักน้าําทักเข้วหนึ่งออกมาแต่ที่น้ํา ม, มันจะเป็นหลุมมันก็ไม่ยอมเป็นหลุม น้ำอยู่ในองค์ในหม้อ ม, ม, อมันก็ไหลมาถมน้ำที่เราตักออกมันก็ก็เพิ่อมอากาศก็เหมือนกันหรือเหมือนกับตอในแดดจัดร้อนทำไม่มีฝนมันก็ธรรมชาติกดธรรมชาติเมื่ออากาศมันร้อนมันกนเมฆเกิดขึ้นอากาศล่องเกิดการปน่นเข้ากับอากาศเกิดลมบ้างเกิดก็เมฆเหมือนเรา นน้ำใส่หม้อไปต้มมันร้อนก็เกิดไอน้ําเดือดขึ้นมาเป็นควรรันอยู่บนปากหม้อกอนแดดออกที่มันร้อนแทนที่ถ้าแดดออกร้อนท่านที่จะเกิดทันเดินมึงเปิดผขนมันไม่ตกเลยความหนาวมันตกในเวลามันร้อนจีวิตของเราก็เหมือนกันมีเหตุเปปัจจัยอยู่ดีๆไม่โกไรธเลยไม่ได้ ดดีๆมันทุกไม่ได้พระเจ้าจึงเห็นทุกข์เราเห็นเหตุที่เกิดทุกข์เห็นเหตุที่ดับทุกข์เกิดทุกข์ก็คอยทำเหตุทุกสิ่งเกิดแต่เหตุดาบที่เหตุทำไมจึงโกรธทำไมจึงโกรธเพราะมัหลงทำไมจึงหลงเพราะเราไม่มีสติทำไมยึงไม่มีสติเพราะเราไม่ประกอบสติมันจะเกิดขึ้นเพราะการประกอบเมื่ได้ชื่อบม่ได้หาประกอบเอา ไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไรความโลภของมโกรธความหลงจะ ด, ดับเบาบางจางคายลงเมื่อไรจะรู้ไม่ต้องมีเมื่อไรนักปฏิบัติไม่มีเมื่อไรนักปฏิบัติไม่มีทําไมมีแต่เข้าใจเมื่อไรก็ไม่มีมีแต่การกระทําทําไมก็ไม่มีมีแต่การกระทํทาร คำพูดเขว่าทําไมไม่มีสําหรับนักปฏิบัติถ้าพอได้กระเสดคําพูดเขาว่าไม่ไหวก็ไม่มีสําหรับนักปฏิบัติไม่ไหวก็ไม่มีคําพูดแบบนี้ตามสัจธรรมที่ว่าไม่ไหวเป็นสมมติปัญญาเป็นจริยาเฉยไม่เป็นกรรมมันก็ต่างกาันบางคนพูดไม่ไหวนี่มันก็เต็มทีแล้ว อาจจะน้าตาซึมอาจจะเสียใจหน้าตาเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ไปจีริยามันเป็นกรรมคมพูดอย่างเดียวอาจจะเป็นกรรมมันจะไม่เป็นกรรมเป็นกาตัดกรรมไม่ใช่กรรมที่เป็นผลไม่มีผลถ้าเราไม่เจตนานี่คือสมมติบัญญตัต แต่จริงๆมันเป็นประมัติสัจจะพระพุทธเจ้าก็พระองค์ก็ตัดเสมอกับเราไม่ได้ว่าเราคือพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าก็ว่าเราคือตถาคตหมายถึงเสมอกันกับพวกเราเราก็ตถาคตตถาคตก็เหมือนท่านท่านก็เหมือนเราตถาคตไม่ใช่เป็นผู้วิเศษอะไรเราตถาคต ท่านทั้งหลายก็เหมือนเราตราคตเราตาถาโคดก็เหมนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็เหมือนกับเราตาถาคตคืออันเดียวกันเช่เราปฏิวัติธรรมเนี่ยมันเห็นเห็นอย่างนี้เห็นอันเดียวกันเห็นรูปเนี่ยห็นอันเดียวกันการสอนธรรมะก็มาได้คิดมาสอนไต่เต้าไปตามที่เราเห็นเหมือนเราอยู่กรุงเทพอยู่จังหวัดไหนเอินธรรมาวัดปาสุโกโต พอถึงวัตถุกโตแล้วแล้วก็มองกลับไปถูกเดิน ม, มาอย่างไงไปอย่างไงคนอื่นจะมาแล้วก็บอกได้ถ้ามาจากเทพผัวผานที่โน่นเมืองโน่นเมืองนี้ทางไปยากทางไหนก็ผ่านทางนั้นปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการเดินผ่านมาโดยการกระทำของเราแท้ๆมันไม่ลืมเหมือนกับการจำในมันสมอง เป็นลูกก็เป็นลูกเหมือนกันลูกของเราก็เหมือนกับลูกคนอื่นนามของเราก็เหมือนกับ น, นามคนอื่นเป็นอันเดียวกันคนมาเที่ยงก้อนเดียวกันคนเป็นทุกคนเดียวกันความโกรก้อนเดียวกันความไม่โกรก้อนเดียวกันจึงไม่ไม่มีอะไรผิดบางคนพูดว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนยุคนี้สอนทำผิดเพี้ยนไปไม่ใช่เลยเราะสอนเรื่องนิสติ กับสติอยู่กับพู้เจ้าอันเดียวกันแม่นานมาทั้งสองสามพันปีอันเดียวกันพระติอันนี้อยู่กับพระสติอันนี้ที่อยู่กับโยมอันเดียวกันอยู่กับคนหนุ่มก้นเดียวอยู่กับคนแก่ก้นเดียวชาติใดภาษาใดลัทธิใดคือสติทั้งนั้นนี่มันไม่ลืมไม่ต้องกลัวผู้ที่เห็นกระแสได้กระแสแล้ว ไม่ลืมไปไหน<ส><ก>เขาพูดเรื่องที่เราเดินมานี้ไม่เห็นตรงนี้มันจึงไม่ผิดอย่างเราเห็นความหลงเนี่ยอันเดียวกันหลายคนที่เห็นความหลงอันเดียวกันหลายคนที่มีสติความหลงหมดไปความหลงทำให้เกิดสติเหมือนกันความทุกข์ทำให้เกิดสติเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันความทุกข์เป็นความทุกข์บางคนความหลงเป็นความหลงบางคน แต่บางคนความหลงเป็นความรู้สึกตัวความทุกข์เป็นความรู้สึกตัวมันก็ต่างกันอย่างนี้หน่อยแหลังแต่ว่าทุกันเดียวกันอยู่ที่การกระทําของเราว่าปฏิบัติธรรมทาไมไม่หัดมันหัดไปยากมันมีอยู่มีบทเรียนอยู่ก็าไหลงเวลาใด ร, รู้สึกตัวลองดูหลงสองครัง้งรู้สึกตัวสองครัง้งในความทุกข์เท่าไหร่รู้เท่านั้น เดว่ารูเท่ารูทันไม่ได้ไปหาที่ไหนอยู่กับเรานี่แหละเพราะนั้นจึงเป็นอันเดียวกันไม่เป็นหญิงเป็นชายเป็นอันเดียวกันคือมีความรู้สึกตัวมีความหลงตัวแต่ความหลงนี้ไม่เหมือนกันสิ่งที่คนหนึ่งหลงคนหนึงอาจจะไม่หลงสิ่งที่คนหนึ่งทุกคนหนึ่งอาจจะไม่ทุกเพราะมันมีอันเดียวกันมันเห็นมาแล้ว เวลาหลงที่ใดก็เห็นแล้วมันไม่ใช่หลงตลอดพบตลอดชาติไม่ใช่ทุกตลอดพบตลอดพาติสิ่งที่เราเคยทุกข์กลายเป็นมัญญาไปเราจึงทําได้ทุกคนมีกายเห็นกายเห็นเป็นรูปมีใจรู้อะไรได้เห็นเป็นนามจารูปสั้นๆใครเป็นรูปให้เป็นกลายเป็นใจ มันก็เป็นตัวเป็นตนง่ายเป็นเป็นรูปเป็นดามไม่เป็นตัวไม่ตนเห็นความโลนเราโลนเดียว่าเห็นกายมีกายเห็นหนาวคือเราหนาวเป็นตัวเป็นตนกับกายถ้าเห็นเป็นรูปเห็นมันโลนไม่ใช่เป็นผู้โล้นเห็นมันหนาวเห็นมันหนาวเห็นมันหิว เห็นมันเจ็บเห็นมันปวดเห็นมันง่วงนอนเห็นมันเบื่อหน่ายเห็นมันขี้เกียจที้เคิเห็นมันพอใจเห็นไม่พอใจเห็นความโกรธไม่ใช่เป็นผู้โกรธเห็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์ตรงนี้ตรงนี้เราพ้นจากการเกิดเจ็บเจ็บตายได้ถ้าเห็นถ้าเป็นเราพ้นไม่ได้ จึงมาดูให้มันเห็นเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามเนี่ยมันจะเป็นทางไปถ้าเห็นเราเป็นทางไปเลยถ้าเป็นเราไม่มีทางมืดแล้วปิดแล้วปิดทางแล้วถ้าเป็นจนลงต้นนั่นไปไม่ได้ไม่ผ่านถ้าเห็นเราผ่านถ้าเป็นลราไม่ผ่านเรถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เห็นสุขหรือเห็นทุกข์ ถ้าเป็นทุกข์ยักเอาสมขังไว้แล้วยักมันถามเป็นสุขหรือเห็นสุขเป็นทุกข์หรือเห็นทุกข์ถ้าตอบว่าเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้สุขยักมันเอาสมเหล็กขังไว้ไปไม่ได้ถ้ายักมันถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เห็นสุขหรือเห็นทุกข์เห็นมันสุขเห็นวันทุกข um ์ยกตายไป ยัดตายไปเลยไม่มีอะไรเลยเพราเราเป็นรเราเห็นตรงนี้ใส่ใจดีๆในการศึกษาเหมือนเราเรียนอะไรวิชาอะไรมาใส่ใจลองดูว่าใส่ใจตรงไหนที่นั่นก็รู้เจื่อได้ย้า้มันปีต้องหลงไปกินปีความทุกข์ไปกินปีกก ไ, ปนปไม่ละต้องมีสติเป็นทุนไปก่อนทำไม จ, จึงสร้างสติ ทำไมเราจ้องลืนตามีตาทำไมหลับทำไมไม่ลืนนี่สติทำไมไม่ใช่ต่อมีลองลืนตาภายในตาเนื้อตาภายในรู้ไว้มันเกิดอะไรขึ้นเห็นถ้าไม่ลืนมันเป็นถ้าลืนตามันเห็นผู้ง่วงก็เห็นถ้าหลับจูมันไม่เห็นก็้ง่วงเป็นผู้ง่วงไปเล พอที่สุดทาอะไรไม่ได้เป็นอยู่ชิ้นนั่นตลอดพบตลอดชาติไม่ถูกต้องเราจึงมาฝพุทัดจําเป็นจําเป็นเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่จําเป็นเพราะชีวิตเราเป็นการบ้านเป็นการบ้านมีความไม่เที่ยงเป็นการบ้านมีความเป็นทุกข์เป็นการบ้านในการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นการบ้าน เกิดเป็นทุกข์พัฒนาจาของรักของเจ้าใจเป็นทุกข์ารตนาจรใดไม่ได้สิ่งนั่นเป็นทุกข์ก็ไม่สบายกายก็ไม่สบายใจความาขับแช้งใจก็เป็นทุกข์เป็นผู้ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้อหน้าแล้วเลอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นทุกข์ไหมความไม่สบายกายเป็นทุกข์ไหมจะมีความไม่สบายใจมีไหม มันไม่มีก็ไม่สบายกายก็ไม่สบายใจมีเห็นมาไม่สบายรวมปาจจัยชินใดไม่ได้ชินนั่นเป็นทุกข์อยู่ตรงนั่นก็เป็นอย่างนั้นแล้วไม่อยู่ตรงนั่นก็ไม่เป็นอย่างนั้นมาดูวันทีส่งนร้อยจุบุโลกนี้โลกนี้คือกายกล้งสอกยาวาหนาคื่มีสัญญาณในจิตใจนะ่ะมันเป็นอะไรได้ เราจึงมาดูมันสนุกดีสนุกเขาแสดงให้เห็นสนุกดูดูอะไรไม่เศร้ากับดูถูนชีวิตของเราเห็นของจริงของเท็จไม่น่าเบื่อไดพออกพอใจอยากชวนมาดูเชิญมาดูน้องมาใส่เรา ตัาขาตัวพระวตาทามุตวัทธรรมมันพระผู้เป็พระเจ้าได้เห็นได้ตัดไว้ดีแล้วสาธิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาจะต้องปฏิบัติอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลน้ายไม่จำกัดการโอปะไรโกเป็นสิ่งที่ควร น, น้อมมาใส่ตัวเอหิปตจิโกถ้าคุนจะมาดูเถิดมาดูซิ เห็นไหมเห็นความไม่เที่ยงไหมเห็นกวาเป็นทุกข์ไหมหรือว่ามันมาที่ใดก็เป็นไปกับมันไม่เห็นมันมันก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์ถ้าเห็นรูปเห็นนามไม่ใช่เวทนาเป็นอาการถ้าเห็นกายเห็นใจไปเป็นเวทนาถ้าเห็นรูปเห็นนามและเป็นอาการเบาเวาเหมือนปุ๋ยที่ดี ถ้าปุ๋ยดีเบาๆหรอกถ้าปุ๋ยไม่ดีหนักนะเราไปซื้อปุ๋ยสอบหนังจีบกาบา น, นไม่ใช่ปุ๋ยหนักไม่ใช่ห้าจีบยีโรถงปุ๋ยเฉยหนักนปุ๋ยไม่ดีของปอลอมถ้าเราเทมันหนักเรีวยอวของปลอมถ้าของเบปูเนี่ยอาจจะว่าปุ๋ ย, ยไม่ดัดถ้าคนเขาพอ่อข้าซื้อโปอเนี่ย ถ้าเขาช่างดูมัดขาดไม่ควรที่จะได้เท่านั้นก็ถ้าขึ้นต่อช่างปับ๊บมันหนักเกินเขาก็ตัดออกดูมีก้อนหินมีละไใส่หรือเปล่าของปลอมเออนะ่ะซื้อปุ๋ยเนี่ยซื้อปุ๋ยขี้วัวนะมันเบาโปรนะ้าวมาใจมีแตข่ขี้ดินนั่ น, นเอของปลอมของหนักก็ยังเอาอโกเด้มันปลอมนะ ไม่โกดเยังของกิ่งแล้วยังเอาของหนักวารหาเวปจักรขันธ์ธรรมของปมๆอะไรพวกขันทั้่างๆเป็นของดนักเด้อหนักในรูปในเวทนามันเบ้าบนเวทนาเบ้าวิวเวทนาก็เป็นทุกข์อันอยากเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์เวทนาไม่เป็นทุกข์มันต้องกลับแต่ไหนสังขารไม่เป็นทุกข์วิญญาณไม่เป็นทุกข์ ความไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ความไม่ใช่นตนก็เป็นทุกข์พระเจ้าความไม่เที่ยงเป็นนิพพานเลยตัวเป็นทุกข์เป็นนิพพานเลยเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทังขานทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั่นย่อมหน่อยหนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานแต่ปุริชนนอเป็นทุกข์มันเปลี่ยนได้อย่างเนี้ยเท่าป่าที่บัรรม จะไม่ยอมเปลี่ยนเลยพวกเรามาเป็นทุกข์มาเป็นทุกข์หลือมาเป็นบัญญาเป็นนิพพานนะเนีย่ยเรียกว่าปฏิัติธรรมว่าศึกษาแล้วมันทำได้อ น, นันี่แล้วมันทําให้กันไม่ได้ต้องทําำออเองเวลาไรเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นลองดูลองตามรอยเพราะอยู่คนบ่อนพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้เมื่อใด ค, ความไม่เที่ยงเมื่อนั่น น, นิพพานเกิดขึ้นเมื่อใดคนมันทุกข์เกิดขึ้นเมื่อนั่นเป็นนิพพานเมื่อใดบุคคลเี่ยดือดไปย่อสังขารนับพวกเป็นทุกข์เมื่อนั่นโยมเหมือนได้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงอันเละเป็นทางเปน็นนิพพานอเป็นทรรหมดจดเปลี่ยนนั่นแหละอะไรที่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ร้อรัเราที่มันหลงไม่หลงเราที่มันโกรธไม่โกรธเพราะเปลี่ยนอย่างนี้นนจึงได้ว่าปฏิบัติ นี่หลวงตาเขาพูดนนอนเพราะมันเป็นปีใหม่อยากจะให้เริ่มต้นใหม่ๆความโกรธมันเก่าความไม่โกรธมันใหม่ความทุกข์มันเก่าความไม่ทุกข์มันใหม่ความหลกมันเก่าความไม่หลกมันใหม่จะทําไม่ได้เลยแค่นี้เองนะเรียกว่าปีใหม่ชีวิตเราจะใหม่เรื่อยไปไม่เพิ่มเพิ่นเฉยไหนใหม่เรื่อยไปการใหม่คือเนี่ยต้องเปลี่ยนความร้ายเป็นความดี อะไรที่มันไม่ดีเปลี่ยนเป็นความล่ายเป็นความดีก็ปฏิบัติธรรมหรือว่าภาวนาก็านาเปลี่ยนร้ายเป็นดีอยู่ที่ไหนก็เปลี่ยนไม่ใช่มาเปลี่ยนอยู่สุกโตเนี่ยอยู่ที่บ้านอยู่บนรถไปเชี่ยวมาเปลี่ยนนาะหัดเปลี่ยนทันเปลี่ยนอต่นี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนาไปใช้กับชีวิตปีใหม่นี่มันจะเจริญก้าวหน้าชำน้ชํานานที่มุดดุดพุทธใยงใจ ถ้าเราฝึกตนสนตนเนาะเอาเรองตาวัดปาสุกโตเพรสงค์จะเควนเพื่อนจะไม่ผ่านลงที่ตรงทาง